หลวงพ่อไปกิจธุระหลายวันตั้งแต่วันที่สิบสองกลับวันที่สิบหกไปภูเก็ตพังงากระบี่แต่ว่างานจริงก็คืองานหลวงปู่เนตรวันเกิดของท่านแล้วก็ทำบุญคอดชิมนะบ้านเรานะแต่ว่าตามไม่จริงก็ตัดลูกนิมิตแล้วก็เปิด ตัวที่จะสร้างเจดีวัดแหลมศักอําเภอแหลมศักด์จังหวัดกระบี่จากนั้นก็ได้มาพักที่ภูเกต็ตแล้วก็ได้มาเทศที่วัดหลังสารวัดหลวงปู่เทศเก่าคืนวันพระที่ผ่านมาจากนั้นเมื่อวานก็มาฉันที่สํานักสงฆ์แล้วก็ขึ้นมานะ แต่เห็นพี่น้องประชาชนภูกเก็ตพังงากระบี่ที่หลวงพ่อไปไปก็ให้ความสนใจมากนะนใจเรื่องเนนะีเรื่องภาคปฏิบัติเรื่องกรรมฐานหลวงพ่อคิดว่าส่วนหนึ่งก็คงจะมีสถานในวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนอยู่วัดหลังศาลวัดหลวงปู่เทศเก่ามีสถานในวิทยุในแถบนั้น ภูเก็ตพังงาเนี่ยฟังได้ชัดเจนเป็นบางท้องที่แต่เบนเทียเธออยู่ในหุบเขาอันนั้นคือส่วนหนึ่งจากนั้นก็คนทุกวันนี้ก็ยังว่าสนใจฝ่ายธรรมะอันไหนของจริงอันไหนของปลอมต่างคนก็ต่างค้นคว้าศึกษาคือค้นคว้าหาของจริงแต่เมื่อวานในหลวงพ่อก็เด้ พูดให้แก่คณะทาญาติโยมในถิ่นนั้นบอกว่าพวกเราให้มั่นใจว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดนะถ้าว่าพวกเราคิดว่าตายแล้วสูญพวกเราจะท้อแท้ไม่รู้จะทาความดีไปเพื่ออะไรจบในชาตินี้แล้วก็จบไปแต่ตามไม่จริงในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าที่ท่านค้นคว้าศึกษาดูแล้ว ที่ท่านไปศึกษาอยู่ในป่าทั้งหกปีท่านศึกษาเรื่องอะไรนี่แหละเรื่องตายและเกิดหรือตายและสูงนี่แหละไม่ใช่อื่นไกลจากนั้นก็บครูบาอาจารย์ห ล, ลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่หลวงตาต่างๆที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านก็ไปปฏิบัติในป่าดงพงไพเพื่อศึกษาคน้นคว้าว่าจริงไหมที่พระพุทธเจ้า พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านว่าตายแล้วไม่สูญหรือสูญจากนั้นเ่าก็เข้าไปอยู่ในป่าโรงพงไผไปนั่งสมาธิไปฝึกเรื่องจิตตภาวนาถ้าพวกเราได้สนใจนั่งภาวนาและทำสมาธิแล้วพวกเราจะสิ้นความสงสัยว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสู์มันสิ้นสงสัยในตัวของผู้ปฏิบัติเพราะเหตุไร พระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านบอกไปแล้วว่าเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเกิดยานัทตะนาเกิดฌานระลึกชาติโหนหลังได้อันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านยกเป็นบาลีาว่าปุกเพในวาสานุสติยานถ้าพูดเฉยๆพวกเราก็ยังสงสัยท่านนี้เอาพระบาลีมายืนยนันอีกว่าปุกเพในวาสานุสติยานระลึกชาติโหนหลังได้ จากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ท่านนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติในป่าดงพงไพท่านก็ทำจิตใ จ, ใจของท่านให้สงบเมื่อจิตใจสงบแล้วท่านก็รู้ได้ด้วยตนเองว่าเออทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของจริงพระพุทธเจ้าอะตายแล้วไม่สูญแต่ เ, เรามานั่งภาวนาใจของเราเข้าสู่ความสงบแล้วร่างกายคือรูปธรรมเป็นอันหนึ่ง นามธรรมคือจิตใจคือตัวผู้รู้ๆเนะ่ยเป็นอันหนึ่งแต่อาศัยกันอยู่สองอย่างเนี่ยอาศัยกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัตินามขึ้นมาว่ารู ป, ปธรรมคือร่างกายนามธรรมคือว่าเป็นนามไม่ใช่เป็นรปูปเพราะนั้นเป็นความรู้สึกนึกคิดนามธรรมคือใจนะก็อยู่ในร่างกายของเราตัวนามธรรมตัวนี้แหละจะพาไปเกิดในวัฏสงสาร เวียนไหวใต้เกิด ร, รุ่มรุ่มดอนดอนสูงสูงต่ำต่ำไม่มีที่สุดเพราะใจดวงนี้มันมีเชื้อคือกิเลสราคะโทสะอยู่ในจิตในใจใจดวงนี้จะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆนี่แหละครูบาอาจารย์ท่านก็ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องนามธรรมจากนั้นพระพุทธเจ้าที่ท่านเป็นบรมครูท่านก็ ศึกษาไปอีกว่าในตอนเที่ยงคืนจุตูตตปปาตายานการจุดติของสรรพสัตว์ทางหลายมาจากไหนมาเกิดที่นี่แล้วออกจากที่นี่จะไปที่ไหนเราตายไปแล้วจะไปที่ไหนพระพุทธองค์ก็รู้ต้นปลายสายเหตุว่าคนที่ทำกล้มชั่วทำกล้มที่ไม่ดีกล้มที่ไม่ดีนั่นแหละจะพาจิตใจของเขาไปสู่ทุกขติ ไปตกนรกไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นสัตว์ที่ัชชานา น, านานาชนิดอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นกลัมพาไปเกิดกลัมชั่วพาไปเกิดทางต่ำแต่ ถ, ถ้าว่าผู้ใดทำกลัมดีจังสมบุญกุศลบุญกุศลจะพาไปสู่สุขคติมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มาเกิดที่ตระกูลดีการศึกษาดีสิ่งแวดล้อมดีเกิดมาแล้วก็มีแต่ความ พระศุกอันนี้คือบุญพามาเกิดจากนั้นก็สูงสงขึ้นไปกว่ามนุษย์ก็เป็นเทวดาอินพรหมอันนี้คือคุณงามความดีบุญกุศลพามาเกิดพานําไปอันนี้พระพุทธเจ้าก็รู้จุตูปะปะตาตญาณการจุติและการเกิดการตายของสรรพสัตว์มาอย่างไงไปอย่างไงพระองค์ก็รู้เพราะนั้นท่านจึง รับรองและยืนยนันว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนี่แหละขอให้พวกเราทุกคนนะนั่งสมาธิภาวนาให้พิสูจน์ตัวของเราเองในเมื่อพิสูจน์แล้วเราจะได้ตั้งอกตั้งใจสังสมคุณงามความดีจะได้มุ่งมั่นต่อบุญกุศลถ้าคนที่ทำบาปแล้วบาปนัออกอกุศลนั่นะจะพาตกพาไปแต่ถ้าเราคิดว่าตายแล้วสูญคนอื่น เขาจะรู้หรือไม่รู้เห็นหรือไม่เห็นกับเราแต่เราว่าตายเราศูญเราก็ไม่กระตือหรือล้นที่จะสั่งสมคุณงามความดีอันไหนที่จะมีความสุขเฉพาะหน้าจะคดจะโกงจะป่นจะจีดจะทําอะไรก็ทํตาทตามอําเภอใจทําตามอัธยาใจทําตามใจที่ต้องการใจที่ต้องการนั้นโดยมากจะไปทางต่ํจาจะไม่ไปทางสูงที่ใจทองการ สิ่งไหนที่ชั่วช้าเสียหายใจจะชอบทําอย่างนั้นกินเหล้าบักเที่ยวบังโคดโกงเขาบังเฆ่าแกงเขาบังสิ่งไหนที่มันมันต้องมีที่รับมันต้องมีที่แจง้งไอ้ข่ายเขาทำรับหูรับตาคนแล้วก็ทําทได้เพราะไม่มีบักตายและศูนย์เนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเครื่องเป็นเครื่องทําให้จิตใจของเราตกต่ํา จิตใจของเราต่ําซามแต่ตายแล้วไม่ศูญแล้วเป็นไงเราก็รับอย่างเต็มที่เหมือนกันอย่างที่บอกวันพรุ่งนี้ไม่มีหละมีอะไรวันนี้กินให้หมดเลยสมมุติว่านะแต่นีนมันคงสมมุติว่าไม่ได้เพราะเมื่อวานมันมนะีวันก่อนมันมีแต่วันพรุ่งนี้มันก็ต้องมีในเมื่อวันพรุ่งนี้มีเราจะทํำยังไงเราก็จะต้องเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมอยังไงก็คือ เราสสแสวงหาทรัพย์ในวันนี้เราก็เก็บไว้เพื่อวันพุ่งนี้เราจะได้กินจะได้ใช้อย่างไงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นยังไงอันนี้เราต้องเก็บไว้เพื่ออนาคตถ้าไม่มีอนาคตวันพุ่งนี้เราจะเก็บไว้ให้โง่ทําไมมีอะไรเราก็ต้องกินให้หมดหมดทีถ้ามันจบไปแต่ถ้าว่าเราวันพุ่งนี้มีเรากินวันนี้ให้หมด ปันภูนี้โผมาเราจะกินอะไรจะหาอีกมันก็ไม่ทันเพราะว่าเรากินมากกว่าเร็วกว่าที่จะหาเงินบางทีก่อนไม่มีโอกาสที่จะหาอีกต่างหากมันหิวก่อนนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าเราไม่ได้สะสมสังสมคุณงามความดีไว้ในภพนี้ชาตินี้ในเมื่อตายไปแล้วเกิดขึ้นมาใหม่ถ้าว่าเกิดขึ้นมาแบบเราไม่ได้ทากรรมดีเราไม่ได้ทากรรมชั่วอะไรมาก เกิดขึ้นมาแล้วบุญกุศลก็ไม่มีแต่บาปก็ไม่หนักที่จะตกตำ่ำนั่นแหละเราจะต้องตั้งต้นขึ้นมาใหม่อีกมันช้ากว่าคนอื่นเขาเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราได้คิดไวเตรียมไว้แตนเนินๆเหมือนกันนะ่ะใจของเราจะได้สบายในเมื่อถึงวันสุดท้ายที่เขาจะนับคะแนน เราจะเข้าข้อสอบเราจะเข้าห้องสอบเมื่อสอบเสร็จแล้วเขาจะได้นับคะแนนเราว่าตกได้คะแนนมากน้อยแค่ไหนเราจะได้รู้แต่เรามั่นใจว่าเนี่ยก่อนที่เราจะสอบเรามั่นใจขนาดไหนเราเรียนรู้วิชาที่เราจะสอบนั้นเราเรียนรู้มากน้อยแค่ไหนเราก็มั่นใจถ้าเราได้ผ่านได้ฝึกมาแล้ว ได้สั่งสมคุณงามความดีมาแล้วเราก็มั่นใจพร้อมที่จะสอบได้พร้อมที่จะสอบเพราะงั้นไอ้เรื่องจะได้หรือไม่ได้เราก็มั่นใจอีกเราจะได้ขนาดไหนเพราะเราได้เรียนรู้มาก่อนแล้วสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายได้คิดนะได้คิดเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้เพราะว่าภายภาคหน้ามหันตภัยที่ยิ่งใหญ่ยังขวางหน้าพวกเราอยู่ ถ้าพูดอย่างนี้เหมือนกับเราให้พวกเราทั้งหลายท้อทแท้อ่อนแอหรือว่าไม่ได้คิดแต่ตามไม่จริงเราเตือนไว้ก่อนพวกเราต้องเตือนกันไว้ก่อนไม่ใช่ผูใ้ใดผู้หนึ่งเตือนนะพวกเราทั้งหลายควรจะเตือนกันไว้ก่อนว่ามรณะภัยข้างหน้านี้เป็นมหันตภัยอันยิ่งใหญ่สําหรับพวกเราเราได้เตรียมพร้อมเตรียมสเสบียงจะเบี่ยงเดินทางอะไรไว้ปั่งไว้แล้วมีไหม น, นี่แหละ ให้พวกเราท่านทั้งหลายได้คิดรวงพ่อได้พูดเมื่อวานกับลักษณะอย่างนี้แหละใครเข้าเตือนว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดนรกสวรรค์มีจริงผมโลกนิพพานมีเปรตชัดธิดาชนชัดธิดาชนพวกเราเห็นมากมายดาดดื่นไปหมดไม่รู้ ก, กี่ประเภทออกจากวิญญาณคือตัวรู้ๆนี่ะไปปฏิสนธิไปเกิดได้ทั้งนั้นถ้าใครทากรรมไม่ดี ถ้าไทายกล้ำดีก่อนั้นจะพาไปสู่สุขคติมีมากมายอีกเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทพวกเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วควรจะตั้งตนให้ชอบถ้าว่าพวกเราตั้งตนไว้ไม่ชอบก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นหลายหายคนมากมาย ด, า ด, ดัดเดินไปหมดที่เขาไม่ได้สนใจแต่เราจะเป็นประเภท อย่างนั้นหรือไม่เราควรจะศึกษาสุตตมยะปัญญาจินตมะยะปัญญาภาวนามยะปัญญาสุตตะก็คือการอาศัยการได้ยินได้ฟังจินตาก็คืออ า, อาศัยการไข้โวนทบทวนเหตุและผลภาวนามยะปัญญาคือทําจิตใจให้สงบเป็นหนึ่งนิ่งซะก่อนนํามาพิจารณาด้วยเหตุและผลกลั่นกรองอีกครั้งหนึ่งโดยละเอียดถี่ถ้วนนี่นะ ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีหลายระดับนะรับพรอนุมโมทนาให้